พวกเราส่วนใหญ่มาที่นี่นะก็คงไม่ได้แค่อยากจะมาทำบุญแต่ว่าอยากจะมาฝึกอยากจะมาปฏิบัติแต่ว่าความมุ่งหมายของการมาหรือว่าความคาดหวังจากการปฏิบัตินะเร า, า จ, จะคิดไม่เหมือนกันนะบางคนก็อยากจะมาเพื่อหาความสงบสงัด บางคนก็อยากจะมาเพื่อรู้จักความสุขที่แท้บางคนก็อยากจะมาปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์แต่จริงๆแล้วเนี่ยการปฏิบัติที่นี่เนี่ยโดยพื้นฐานนะนั่นก็คือเพื่อให้เรารู้จักตัวเองเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องแรกเลยหลายคนพอได้ยินแบบนี้นะก็อาจจะไม่ได้คาดคิดนะเพราะว่าไม่ได้นึกถึงเรื่องนี้มาก่อน แต่ที่จริงแล้วเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากนะการรู้จักตัวเองนะฟังดูมันเหมือนกับเป็นเรื่องพื้นฐานเป็นเรื่องที่เรียกว่าไม่สลับสำคัญอะไรนะเป็นญ้าปากอคอกนะในความเข้าใจของหลายคนนะอุตส่าห์ตั้งใจจะมาปฏิบัติก็อยากจะได้เจอได้เห็นได้เข้าถึงอะไรที่มันวิเศษมหัศจรรย์หรือว่าสูงส่งกว่านั้นนะบางคนเนี่ยเวลาพูดถึงการปฏิบัตินะหรือ ลงมือปฏิบัติแล้วก็ตามเนี่ยก็ไม่ได้นึกถึงเรื่องนี้เลยนะอาทิตย์ที่แล้วก็มีคนมาปรึกษามาถามมาทำไมเขามาเขาปฏิบัติมาต้องหลายปีนะับทำกรรมฐานแต่ยังไม่เห็ น, ไ ม, หนไม่เห็นอนาคตเลยหมายถึงว่ายังไม่สามารถที่จะทายเดาอนาคตได้ไม่เห็นภาพไม่เห็นนิมิตนะเหมือนที่คนอื่นเขาเห็นบางคนก็เห็นสวรรค์บางคนก็เห็นนรกคือเขาคิดว่าการ ปฏิบัติหรือว่าสมาธิภาวนาหรือกรรมฐานเนี่ยมันจะต้องเจออะไรที่มันเรียกว่าประหลาดหรือมหาสัจจันร์บางคนก็อยากจะได้พบกับภาวะที่เป็นฌานอันสงบลึกซึ้งหรือมีอิทธิปฏิหารนะสามารถจะเ ห, หอเดินอากาศได้สามารถที่จะดำดินบินบนนะหรือว่าทำให้หนังเหนียวนะยิงฟันไม่เข้า อันนี้คือความเข้าใจของหลายคนนะเวลามาปฏิบัติหรือว่าเวลานึกถึงสมาธิภาวนาพวกเราก็คงไม่ได้คิดขนาดนั้นนะแต่ก็น้อยคนที่จะคิดว่าโอ้เรามาที่นี่เนี่ยอุตส่า ม, มาแต่ไกลเนี่ยเพื่อมารู้จักตัวเองเหรอือแค่นี้เองเหรอือนะมันเป็นเรื่องสําคัญีเดียวนะอย่าไปดูแคลนอย่าไปมองข้ามอย่าไปประมาทนะให้การรู้จักตัวเอง การรู้จักตัวเองเนี่ยที่เราเข้าใจเนี่ยนะก็อาจจะหมายถึง เ, ออเห็นหน้าตัวเองในกระจกแล้วก็รู้ว่าเนี่ยนี่คือเรานะเห็นภาพของตนในวัยเด็กนะก็บอกได้ว่านี่คือเราณนะสมัยที่อายุ3ามขวบ5ขวบนะอันนี้มันยังไม่ใช่เป็นการรู้จักตัวเองนะที่ที่มุ่งหมายนะในการปฏิบัติที่นี่เรื่องพวกนี้เราก็รู้ดีอยู่แล้วนะ แต่ต่อไปก็อาจจะลืมเลือนนะพอแก่ตัวเนี่ยนะถ้าหากว่าความจําเสื่อมหรือว่าเป็นอัลไซเมอร์เมื่อไหร่นี่เห็นหน้าตัวเองในกระจกอาจจะไม่รู้ก็ได้นะว่านี่คือเราหรือว่าเห็นภาพตัวเองนะในวัยเด็กหรือว่าในวัยปัจจุบันอาจจะไม่รู้โดยทําว่านี่คือเราอันนัน้นมันก็เป็นเรื่องกายภาพเรื่องสมองนะที่มันเสื่อมไปรู้จักตัวเองที่ะละเอียดหรือว่าลึกไปอีกหน่อยคือการรู้ว่าเรามี นิสัยใจคออย่างไรนะมีความชอบความถนัดตรงไหนแต่แม้ก็ น, นั้นเนี่ยนะหลายคนก็ไม่รู้นะหลายคนไม่รู้ด้วยซ้าตัวเองเป็นคนขี้บ่นเป็นคนช่างคุยบางทีอายุสามสี่สี่สิบแล้วยังไม่รู้เลยนะว่าตัวเองเป็นคนขี้บ่นทั้งที่ใครๆก็เห็นนะทั้งที่เขาก็บ่นอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวเป็นคนช่างคุยช่างพูดพูดเพ้อเจ้อเนี่ย หลายคนไม่เห็นนะรวมทั้งไม่รู้ว่าตัว เ, เป็นคนขี้งุนงิดด้วยอันนี้มันก็ก็เป็นเรื่องที่นะน่าเป็นห่วงนะว่าคนแบบนี้ก็มีมากขึ้นเรื่อยๆรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรถนัดอย่างไรนยถนัดอะไรเนี่ยหลายคนก็ไม่รู้นะเรียนจบมหาวิทยลัยไปแล้วนยังไม่รู้เลยว่าตัวเองเนี่ยชอบอะไรไอ้ที่เรียนเนี่ยเรียนตามเพื่อนหรือว่าตามที่พ่อแม่ขอนะ ถามว่าเรียนจบแม่ก็เรียนจบแต่ถามว่าชอบแม่ก็ไม่ชอบและถามว่าชอบอะไรก็ไม่รู้จะทํางานก็ไม่รู้เลยว่าจะทาอะไรนะบางคนก็มาปรึกษาตมาว่าเนี่ยลูกจบแล้วเนี่ยจะให้ไปเรียนอะไรดีหรือจะให้ทำงานอะไรดีทำไมจะตอบได้ยั <Molly noises S 1> งไงนะคนที่ตอบได้ดีกว่าคือเจ้าตัวมากกว่านะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยนะคนเราก็ไม่รู้ตัวเองต้องการอะไรหรือว่าถนัดอะไรนะไอ้คาว่าต้องการอะไรเนี่ยนะ ก็ดูเหมือนว่าเราทุกคนรู้คำตอบนะเวลาเราอยากจะได้อะไรเป็นของขวัญวันเกิดเราก็อาจจะตอบได้ว่าเนี่ยเนี่ยคือสิ่งที่ฉันอยากได้เป็นของขวัญเวลาเราไปห้างล้วก็ก็รู้นะว่าเนี่ยนี่คือสิ่งที่ฉันอยากได้แต่เราแน่ใจหรือเปล่าว่านั้นนี่คือสิ่งที่เราอยากได้จริงจริงนะหลายคนเนี่ยนะจนกระทั่งแกหรือเกือบใกล้ตายเนี่ยถึงรู้ว่าไอ้สิ่งที่ภาคเพียรสะสมหามา งานการที่ทำเงินทองที่สะสมเนี่ยมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ตัวเองต้องการเลยนะมันามรู้ว่าเนี่ยเราใช้เวลาไปกับการหาเงินหาทองนะสุดท้ายเนี่ยสิ่งที่เราต้องการคืออย่างอื่นมากกว่าเช่นนะครอบครัวที่อบอุ่นนะหรือว่าครอบครัวมิตรสหายความสัมพันธ์นะที่มันเกื้อกูล แล้วคนมาล้วนตอนจะตายหรือตอนแก่แล้วนะแล้วบางคนก็ไม่รู้ว่าจะก็รู้สึกเสียใจนะที่ไอ้สิ่งที่ชีวิตต้องการจริงๆเนี่ยไม่สนนะนะไปสนกับสิ่งที่เราถูกปลูกฝังว่านะั่นแหละคือสิ่งที่เราต้องการเช่นทํางานจบก็ต้องหาเงินหาทองมีครอบครัวมีเงินมากๆและมีการงานที่มั่นคงอุตสาหามาแล้วสุดท้ายก็ไม่ใช่สิ่งที่เราปรารถนา เสียใจนะมันมีนักปราชชาวอเมริกันคนหนึ่งนะชื่อทอโรนะทอโรนี่หนังสือของทอโรนี่ก็เป็นแรงบนันดาใจให้กับคารทีนะในการาต่อสู้เพื่อสันติต่อสู้เพื่อเอกราชด้วยสันติวิธีนะ Tor o ทอโรนี่เขาปลีกตัวไปอยู่ป่านะแล้วเขาก็เขียนบันทึกที่มีความลึกซึ้งมากเนะ่มันมีประโยชน์นี่ก็พูดว่าเน่งนาตระกรรคนเราก็คือ หลังจากที่ทุ่มเททั้งชีวิตเพื่อจะหาปลาแล้วพบว่าไอปลาที่หามาได้เนี่ยมันไม่ใช่ปลาเช่นเดียวกับที่ต้องการหมายความว่าเนี่ยอุตส่าห์หาเงินหาทองมีอำนาจนะมีชื่อเสียงกิติยศแต่ปรกว่านั่นไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการเลยเพราะมันไม่ทำให้มีความสุขอย่างแท้จริงจิตใจเราเนี่ยปรารถนาสิ่งอื่นมากกว่านะแต่เราไปคิดว่าเนี่ยอันนั้นแหละคือ แต่เรากลับมองข้ามเพราะไปคิดว่าเงินทองราบยศสุขสารเสรเนี่ยมันคือสิ่งที่เราต้องการเราลืมเราลืมฟังเสียงร้องของจิตใจนะว่าจิตใจต้องการอะไรนะอย่างแท้จริงอันนี้ก็เรียกว่าไม่รู้จักตัวเองนะการรู้จักตัวเองที่ลึกซึ้งเนี่ยนะมากกว่านั้นก็มีนะก็คือนะการรู้เรื่องกายเรื่องใจเนะี่ยของเราเอง ซึ่งมันไม่ใช่มีแค่รู้ว่าเออร่างกายเรานะสูงเท่าไหร่หนักเท่าไหร่นะหรือรู้แค่กายวิภาคนะอย่างที่หมอหรือพยาบาลเรียนนะแต่ที่จริงเนี่ยมันรู้ลึกไปกว่านั้นนะอย่างเช่นนี่เมื่อกี้เร า, าสาธยายเนี่ยอาการ32ของร่างกายทวติงส ก, กา ร, ปราปัฏาเป็นการพิจารณาร่างกายว่าประกอบด้วยอาการ3 2นะ คนที่เรียนกายวิภาคเนี่ยก็อาจจะอ า, อาจจะรู้สึกว่ามันไม่ได้มีอะไรใหม่นะเพียงแต่ว่าสิ่งที่เขาสาธยายเนี่ยนะมันอาจจะแตกต่างจากที่เรียนมาบ้างแต่จริงๆเนี่ยเขาต้องการที่จะบอกให้เรารู้ว่าไอ้ร่างกายของเราเนี่ยนะมันมันไม่มีมันไม่มีอะไรที่จะเรียกว่าเป็นตัวเป็นตนได้เลยร่างกายเราก็คือนะก้อนธาตุนะหรือว่าอ่า สิ่งที่เกิดจากการประชุมกันของอวัยวะต่างๆนะซึ่งนอกจากมันจะเต็มไปด้วยความไม่งามนะแล้วเนี่ยมันยังไม่สามารถจะยึดนะเป็นตัวเป็นตนหรือไม่มีตัวเป็นไม่มีตัวตนที่จะยึดมั่นถือมั่นได้เลยอันนี้ก็เป็นการรู้กายแบบหนึ่งนะแต่ว่าเราจะมาฝึกเรื่องการรู้กายเนี่ยอีกลักษณะหนึ่งนะซึ่งอ เราก็คงอาจจะได้เรียนรู้มาบ้างแล้วนะการรู้จักตัวเองนะคือการรู้เรื่องรู้กาย ร, รู้ใจนะรู้ว่าตัวเราเนี่ยคือกองสังขาร น, นะซึ่งมันมันมีมันตกอยู่ภายใต้ความเสื่อมนะ จ, ะจะว่าไปแล้วเนี่ยในสายต่างธรรมชาติเนี่ยไอกองสังขารที่เราที่เรียกว่าเราเนี่ยนะมันก็ไม่ได้ต่างจากฝุ่นทุเรีในจั ก, กรวาล น, น, นะก็คือว่ามันไม่เที่ยงมันไม่แน่นอนนะ และสักวันหนึ่งมันก็ต้องเสื่อมแล้วก็ดับไปบางทีก็เราก็ลืมไปนะว่าสักวันหนึ่งเราต้องตายเราทุกคนเนี่ยมีปลายทางนะคือความตายแต่ว่าบ่อยครั้งเราก็ลืมไปนะเราไปจดจ่ออยู่กับจุดหมายชีวิตมากกว่าจุดหมายชีวิตนะก็วาดไว้สวยหรูนะเป็น CEO ・เป็นผู้จัดการนะเป็นเศรษฐีเป็นนักธุรกิจนะร่ารวยหรือว่าเป็นนักการเมือง อันนั้นคือจุดหมายชีวิตนะซึ่งมันทำให้เราเนี่ยมีความฝันและจริงๆมันเป็นจุดหมายที่เราต้องการหรือเปล่าก็ไม่รู้อย่างที่พูดไปแล้วจะหลายคนก็ลืมไปนะว่าสุดท้ายเนี่ยชีตเรามีปลายทางด้วยนะปลายทางของคนเราเนี่ยจะว่าไปก็คือเชิงตะกอนหรือหรือเมนนะั่นนะไม่ว่าใหญ่แค่ไหนรวยแค่ไหนนะสุดท้ายเนี่ยเชิงตะกอนหรือเมนก็คือปลายทางของเราการเรียนการรู้จักตัวเองเนี่ย ในความความหมายนึงก็คือรู้ว่าไม่ว่าใหญ่แค่ไหนก็เล็กกว่าลงนะรู้จักตัวเองก็ยังยังหมายถึงว่าเราสุขและเราทุกข์เพราะอะไรนะอันนี้สำคัญนะคนส่วนใหญ่เนี่ยไปคิดว่าความสุขใจก็ดีความทุกข์ใจก็ดีเนี่ยมันเกิดจากสิ่งภายนอกนะถ้าได้โชคได้ลาบนะประสบความสำเร็จนะมีคนรัก นะก็เรียกว่าสุขใจนะถ้าสูญลาบหรือว่าประสบเคราะห์เจ็บป่วยมีคนกันแกล้งนะงานการล้มเหลวอกหักผิดหวังในความรักอย่างนี้จึงเรียกว่าทุกข์หรือว่าเป็นเหตุให้ทุกข์แต่ที่จริงแล้วเนี่ยนะถ้าเรารู้จักตัวเองอย่างแท้จริงจะพบว่านั้นไม่ใช่เลย น, นั้นไม่ใช่สาเหตุความทุกข์หรือสุขที่แท้ ใ่แห่งสุขหรือทุกข์เนี่ยมันอยู่ที่ใจเรานี่แหละนะหรือถ้าพูดให้เป็นรูปรธรรมหน่อยคือว่ามันมันอยู่ที่ความคิดของเราเป็นเพราะไม่รู้ทันความคิดเป็นเพราะคิดลบคิดร้ายนะนะเป็นเพราะความยึดติดถือมั่นนะมันก็ทำให้เกิดความทุกข์จิตที่ผลักไสไม่ยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นก็เป็นเหตุได้ทุกข์ถ้าเรามารู้จักตัวเองเนี่ยเราจะพบว่าอ๋อ สุขเนี่ยมันก็ไม่ได้ไกลไปจากไหนเลยนะมันก็อยู่ที่ใจเรานี่แหละและไม่ต้องทำอะไรนะมากนะสิ่งสำคัญคือการมากลับมาที่ใจของเราเพราะนั้นเนี่ยมันก็กลับมาเรื่องการรู้กายรู้ใจนะการปฏิบัติที่นี่เนี่ยจุดหมายคือเพื่อการรู้กายรู้ใจส่วนความสงบนะอันนั้นเนี่ยมันเป็นผลพลอยได้นะบางคนมาเนี่ยเพื่อจะหวังได้รับความสงบ แต่รู้กาย ร, รู้ใจนี่สำคัญกว่าและการรู้การรู้ใจเนี่ยมาไปสัมพันธ์กับสิ่งที่เรียกว่าความรู้ตัวนะความรู้ตัวรู้อะไรเนี่ยนะมันก็ไม่สำคัญเท่ากับรู้ตัวนะเราเรียนรู้อะไรต่ออะไรมาเยอะแยะแล้วนะวิชาทางโลกเราก็เรียนมาเยอะนะคนหนึ่งก็12ปีบ้าง16ปีบ้าง20ปีบ้าง24ปีบ้างจนจบปริญญาเอกนะแต่ว่าความรูนะ้ที่เรียนมาเนี่ย มันอาจจะไม่ช่วยทําให้เราเนี่ยพบกับสิ่งที่ชีวิตต้องการหรือมีความสุขอย่างแท้จริงถ้าหากว่าเราขาดสิ่งที่เรียกว่าความรู้ตัวนะความรู้เนี่ยนะดีมีประโยชน์นะแต่ว่าตัวรู้เนี่ยก็อย่ามองข้ามความรู้ในที่นี้ก็หมายถึงรู้โลกภายนอกนะแต่ว่าอย่าลืมตัวรู้เราต้องสร้างตัวรู้ให้มีมากขึ้นด้วยนะตัวรู้เนี่ยหรือรู้ตัวเนี่ยก็อันเดียวกันนั่นแหละ เราจำเป็นจะต้องสร้างความรู้ตัวให้มีขึ้นเพราะว่าความทุกข์ของคนเราเนี่ยนะสุดท้ายก็เกิดจากการที่เราไม่รู้ตัวนะคนเราพอไม่รู้ตัวแล้วนะมันก็สามารถจะทําอะไรก็ได้แม้ว่าจะมีความรู้เยอะนะแต่สุดท้ายนล่นก็ไปไม่รอดอย่างที่เขามีคำพูดว่าความรู้ท่วมหัวตัวไม่รอดนะเพราะไม่มีแต่ความรู้แต่ไม่มีตัวรู้นะมีแต่ความรู้นะรู้เรื่องทางโลกแต่ไม่มีตัวรู้คือไม่มีความรู้ตัว ความรู้ตัวเนี่ยมันช่วยทำให้เราเนี่ยไม่เผลอไม่ลืมตัวคนเราเนี่ยเราเราลืมตัวหรือว่าเราไม่รู้ตัวอยู่บ่อยๆนะและบางทีก็ทำให้เราทําสิ่งที่ไม่ฉลาดหน้าหัวมันมีเพื่อนคนหนึ่งเขาเล่าฟังว่าเนี่ยเขาไปที่คลองเตยจะไปซื้อมะม่วงนะมะม่วงเนี่ยที่คลองเตยก็มีแผงอยู่หลายแผงเรียงกันเ้าก็เดินตั้งแต่แผงแรกนะ ไปจนถึงแผงสุดท้ายเลยนะเพื่อดูนะดูมะม่วงแล้วก็ดูราคาแต่เขาก็ไม่ได้ซื้อเลยนะจนกระทั้นเขากลับมาที่แผงแรกแล้วก็เลือกมะม่วงจะซื้อปรากว่าคนขายเนี่ยพ่อค้านี้ไม่ขายนะบอกว่าไปดูร้านอื่นแบบนี้ฉันไม่ขายให้ละก็ไม่พอใจนะที่ว่าเดินผ่านแผงเข้าไปเสร็จแล้วหวนกลับมาซื้อนะที่แผงเขา จริงๆเนี่ยคนที่พูดแบบนี้เนี่ยพ่อค้าแบบนี้เนี่ยเรียกว่าฉลาดหรือเปล่าเนะลูกค้ามาซื้อก็น่าจะดีใจนะแต่ว่าเขาปล่อยให้ความนะไม่พอใจเนี่ยนะมันครอบงําจิตพราะเห็นลูกค้าเนี่ยเดินผ่านแผงเข้าไปแล้วก็ไปดูแผงอื่นอันนี้เรียกว่าเขาลืมตัวนะเขาไม่รู้ตัวเขาไม่รู้ตัวว่าไอ้ความไม่พอใจเนี่ยมันมันเกิดขึ้นมันครอบงําจิตนะ ควาไม่รู้ตัวว่าตัวอัตตาเนี่ยอัตตาซึ่งมันปรารถนาจะให้คนอื่นให้ความสำคัญนะพอให้ลูกค้าเดินผ่านแผงตัวเองเนี่ยไอตัวตานี่มันก็ไม่พอใจว่าทำไมนะไม่สนใจแผงฉันนะและดังนั้นเนี่ยพอลูกค้านี่มาซื้อก็เลยแก้แคนเสวยไม่ขายไอตัวอัตตามันสั่งว่าอย่าขายนะเพราะอัตตาไม่พอใจที่ลูกค้าเนี่ยเดินผ่าน ทีแรกอย่างนี้เนี่ยดูดีๆนั้นเป็นความไม่รู้ตัวพอไม่รู้ตัวแล้วเนี่ยก็ก็จะทำสิ่งที่น่าหัวหรือทาสิ่งที่โง่ไปนะที่ไม่ได้เป็นประโยชน์กับตัวเองเองเลยพวกเราจะเคยได้ยินนะนิทานเซนซึ่งก็มีชื่อมากนะเป็นเรื่องของพระสีรูปเนี่ยที่ตั้งใจจะภาวนาโดยการนั่งอยู่ในความสงบนะหันหน้าเข้าหาเข้าหาฝาผนัง แล้วก็ปฏิญาณหรือทำข้อตกลงว่าจะไม่คุยกันตลอดเจ็ดวันเป็นการภาวนาขั้นอุกฤษวันแรกนี้ก็ผ่านไปได้ดีดนะทุกคนก็ภาวนาอย่างสงบแต่พอตกค่าเนี่ยมันมีเสียงกุก ก, กักกักที่ศาลานะศาลาของวันนี้ก็มีวัตถุโบราณเยอะนะของเก่าของแกหลายร้อยปีภารูปหนึ่งก็เลยพูดขึ้นมาว่าเนี่ยพูดถามเพื่อนที่อยู่ติดกันว่าเนี่ยท่านล็อก ประตูไว้หรือเปล่าลูกที่สองก็เลยพูดขึ้นมาว่า้ท่านลืมไปเลยว่าเราตกลงว่าจะห้ามคุยกันลูกที่สามก็เลยพูดว่าแล้วท่านนี่ยคุยทําไมเงียบสักพักลูกที่สี่ก็พูดขึ้นมาว่าเนี่ยพวกท่านนี่แย่หมดเลยคุยทุกคนเลยมีข้าพเจ้าคนเดียวที่ไม่พูดนะตกลงใครแย่ที่สุดนะะคนที่สี่นะเขาลืมตัวนะเขาลืมตัวเพราะอะไรเพราะว่าเขาดีใจนะเขาดีใจว่าเนี่ยโอ้ คนอื่นพูดทุกคนเลยมีฉันที่ไม่พูดนะแล้วก็อยากจะพูดข่มด้วยว่าเนี่ยอยากจะพูดอวดว่านะฉันเก่งนะอันนี้ก็เกิดจากตัวอัตตานะี่ยบอกกูแน่กูแน่นะเพราะอัตตานี่มันคลองใจนะแล้วก็ไม่รู้ตัวนะมันก็เลยเผลอพูดออกไปก็แสดงความความโง่อีกแบบหนึ่งนะเพียงแต่ว่าไอ้ตัวที่ทำให้ลืมตัวและแสดงความโง่ออไปเนี่ย มันต่างจากกรณีแรกกรณีพ่อค้ามัม่วงนะพ่อค้ามัม่วงนี่ไม่พอใจนะที่ลูกค้าเดินผ่านไปทีแรกนะส่วนกรณีของพระฤทธิศรีเนี่ยนะอัตตาเนี่ยมันต้องการที่จะชูคอว่ากูแน่กูเก่ง น, นะอยากจะอวดแล้วก็อยากจะอวดตัวเองแล้วข่มคนอื่นอันนี้แล้วนะคือความไม่รู้ตัวคือความลืมตัวถ้าเราลองลองดูตัวเรานะว่าลองพิจารณานะตัวเราเองชีวิตของเราเนี่ยว่า เราเนี่ยนะลืมตัวแบบนี้กี่ครั้งนะหรือบ่อยไหมความผิดพลาดหลายครั้งความทุกข์หลายอย่างที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราหรือว่าปัญหาที่เราสร้างให้กับตัวเองและคนอื่นเนี่ยมาล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นจากความไม่รู้ตัวการไม่มีการไม่รู้เรื่องภายนอกนะไม่มีความรู้เพียงพอเนี่ยยังไม่เท่าไหร่นะแต่พอเราไม่รู้ตัวต่างหากนะแล้วความไม่รู้ตัวเนี่ยนะมันก็เกิดจากการที่เราเนี่ยไม่ได้ ฝึกฝนนะจนจนเข้าคล่องในเรื่องการรู้กายรู้ใจถ้าเรามาฝึกให้มันรู้กายรู้ใจเนี่ยนะไอความรู้ตัวเนี่ยมันจะมันจ ะ, จะเจริญงอกงามมากขึ้นนะรู้กายก็คือว่านะเวลากายเคลื่อนไหวอะไรก็รู้นะหรือว่ารู้สึกว่ามันเคลื่อนไหวอันนี้ต่างจากการรู้ว่าร่างกายเราประกอบด้วยอากาศสาิสสนะอันนี้ก็เป็น เป็นเป็นความรู้อย่างหนึ่งนะซึ่งมันสําคัญนะซึ่งเราต้องอาศัยการพิจารณานะแต่ว่าในที่ในที่นี่เราจะเราจะมันใ น, นเรื่องการรู้กายเวลามันเคลื่อนไหวนะโดยการที่กําหนดหรือสร้างเอเรียบทนะหลกัหลกๆ2 อ, อีเรียบทขึ้นมานะคือการยกมือนะที่เราสร้างจังหวะกับการเดินจงกลมถึงแม้วมันจะเป็นการสร้างเอเรียบทขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่เป็นเอเรียบทธรรมชาติเนี่ย นะถ้าว่าเร า, าเราดูเป็นนะมันก็เป็นวิปัสสนาได้เหมือนกันนะไม่ใช่ว่าวิปัสสนาเนี่ยจะต้องหมายถึงการมารู้นะหรือว่าพิจารณาอิริยาบถที่เป็นธรรมชาติอย่างเดียวรู้กายเนี่ยมันไม่ได้ยากอะไรเลยนะแต่เราจะพบว่าเรามักจะทําไม่ได้นะเพราะความเผลอความลืมหรือไม่มีสติ นะทำไมมันจะยากตรงไหนนะเวลายกมือก็รู้ว่ายกนะเวลาเดินก็รู้ว่าเดินแต่ว่าเป็นเพราะเราเนี่ยนะใจไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวใจมันชอบไหลไปอดีตมั่งลอยไปอนาคตมั่งจมอยู่ในอารมณ์มั่งหรือเข้าไปในโลกแห่งความคิดนะตอนตอนนั้นแหละนะที่จะไม่รู้นะจะไม่รู้ว่ามือกําลังยกนะเท้ากําลังขยับหรือตัวกลาลังเคลื่อน ก็คือไม่ได้รู้สึกนะว่ากายมันเคลื่อนไหวนะเรามาทำเรื่องง่ายๆแบบนี้แหละนะนะแต่หากว่าเราวางจิตวางใจไม่เป็นก็กลายเ ป, เป็นเรื่องยากนะเพราะว่าหลายคนก็จะพยายามไปเพ่งมั่งละหรือหลายคนก็เผลอนะเผลอสตินะใจลอยนะไปโน่นไปนี่นะเวลาสวดมนต์ใจก็ลอยนะไม่ได้สวดมนต์อย่างมีสติไม่ได้สวดมนต์ อย่างรู้ตัวนะรู้กายเนี่ยนะเรามาฝึกเป็นเบื้องต้นเลยนะมาเริ่มต้นกันใหม่นะที่ตรงนี้นะไอ้ที่เคยเคยฝึกเคยปฏิบัตินะ <c oughs> อย่างอื่นมานี่ก็วางเอาไว้ก่อนลองมาทำสิ่งที่ดูเหมือนว่ามันเป็นเบสิกมากๆนะเป็นเรื่องพื้นฐานมากๆแล้วเราจะรู้ว่าเอาเข้าจริงมันกลับกลายเป็นเรื่องยากเพราะว่า ใจเราเนี่ยนะมันไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวเท่าไหร่เมื่อเรารู้กายนะอย่างต่อเนื่องโดยที่ไม่ไปเพ่งนะแต่เป็นเพราะว่าใจมันอยู่กับเนื้อกับตัวและที่ใจอยู่กับเนื้อกับตัวเพราะมีสติรู้ทันเวลามันมีความคิดเพ้อพุ่ ง, ป ร, งปรุงแต่งไปนะสติก็ไปเรียกจิต ก, กลับมาออกจากความคิดกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วก็รู้ตัวรู้ว่า กายกำลังทำอะไรมือกำลังทำอะไรต่อไปสติเนี่ยนะมันก็จะไวพอที่จะรู้ใจด้วยนะนะทีแรกก็รู้กายตอนก่อนต่อไปก็จะรู้ใจคือรู้ว่าเวลามันเผลอคิดนึกหรือว่ามีอารมณ์เข้ามาครอบงำนะแต่เดิมเนี่ยพอไม่รู้ใจนะก็เลยโดนความคิดพวกนี้มันลากจิตลากใจไปหรือว่าโดนอารมณ์พวกนี้มันบีบคั้นจิตใจเผาล้นจิตใจหรือว่าจับนะ พันธนาการจิตเหมือนกับคุกที่ขังอันนี้พราะไม่รู้ใจทั้งนั้นเลยนะที่เราจมอยู่ในความเศร้าจมอยู่ในความโกรธจมอยู่ในนะความรู้สึกผิดเนี่ยเพราะว่าไม่รู้ใจไอ้ตัวรู้เนี่ยที่จะทําให้รู้ใจคือสตินะสะติมันทําให้เรารู้ว่าตอนนี้ใจเนี่ยมันจมเข้าไปในอารมณ์ละนะเพียงแค่รู้เท่านั้นนะจิตมันก็จะถูกดึงออกมานะถูกไถ่ถอนออกมากลับมาอยู่กับเนื้อกับตัว แล้วก็จะรู้สึกนะว่าอ๋อมือกำลังขยับเท้ากำลังขยื่นหรือว่ากำลังอาบน้ำกำลังถูฟันเนี่ยเรามาทำเรื่องที่มันเป็นพื้นฐานนะซึ่งอาจจะไม่ได้คาดคิดว่าโอเราจะมาปฏิบัติเพื่อตรงนี้หรือนะเพราะว่าหลายคนนะนึกหรือว่าคาดหวังนะเรื่องใหญ่ๆโตๆนะเรื่องที่มันซับซ้อนพิสดารหรือว่าเป็นเรื่องที่มันสูงส่ง นะจนบางทีเนี่ยมองข้ามเรื่องเนี่ยมันเป็นพื้นฐานมากๆแต่มันจะช่วยทีเดียวนะเพราะว่าอย่างที่บอกเนะเป็นเพราะเราไม่รู้ตัวเนี่ยนะจึงจมอยู่ในความทุกข์แล้วก็สร้างความทุกข์ให้กับคนอื่นนะมากมายหลายประการไม่รู้ตัวเมื่อไหร่นะไอตัวอัตตาตัวกิเลสเนี่ยมันจะมาครอบงาใจรู้ตัวเนี่ยนะมันเป็นปฏิปักษ์กับไอตัวกูนะตัวกูหรือตัวกิเลสเนี่ย คนเราเนี่ยถ้าปล่อยให้ตัวกูเนี่ยมันเข้ามาครอบงําใจนะเราก็สามารถจะทำอะไรก็ได้นะที่มันน่าหัวหรือที่มันน่ากลัวนะแม้กระทั่งทําร้ายผู้มีพระคุณนะด้วยวาจานะหรือด้วยการกระทํานะเพราะว่าตัวกูเนี่ยมันใหญ่พอใหญ่แล้วเนี่ยมันไม่รู้จักผิดชอบโชดดีแล้วแต่ท้รู้ตัวเมื่อไหร่นะไอ้ตัวกูเนี่ยมันจะมาครอบงำจิตใจไม่ได้นะ สองตัวอย่างที่เล่ามาเนี่ยเป็นพ่อตัวกูทั้งนั้นแหละพ่อค้านี่ก็พ่อค้ามะม่วงก็รู้สึกว่าตัวกูนี่มันโกรธนะที่ลูกค้าเดินผ่านไม่ไปสนใจฉันตัวกูมันต้องการการชื่นชมการยอมรับการสรรเสริญการให้ความสําคัญทั้งๆ ท, ที่ลว้วนตัวมันพ่อค้านะน่าจะตระหนักว่าเออลูกค้ามาซื้อน่าจะดีใจแต่ตัวกูมันต้องการแก้แค้นไงว่ามึงเนี่ยทาไมไม่มาซื้อ ไม่มาดูล้านกูก่อนเพรา ะ, ะนั้นกูไม่ขายให้มึงเนี่ยในตัวกูมันสั่งส่วนกรณีพระนะพระเซนเนี่ยนะรูปที่สีเนี่ยนะตัวกูมันชูคอมามันอยากจะประกาศให้เพื่อนอีกสมคนรู้ว่ากูเก่งกูแนนะ่แต่สุดท้ายนะก็กลายเป็นภาดท่าเสียทีนะไปโชว์ความโง่นะความหน้าหัวออกมาแต่นั่นมันอย่งเล็กน้อยนะเพราะจริงๆเนี่ยตัวกูมันทำอะไรได้มากกว่านี้เยอะสามารถจะสร้างความฉิบหายนะ ให้กับตัวเองและคนอื่นได้อย่าถ้าเราไม่รู้จักเท่าทันมันนะดยการมีสติรู้ตัวเนี่ยนะเราก็จะเป็นท่าของมันแล้วก็ถูกมันหลอกล่อพาให้เกิดความเดือดร้อนตามมาในภายหลังเย็นนี้ก็พูดกันเท่านี้นะรบระ